เพราะฉะนั้นคิดก่อนคิดปรึกษ า, าหัวเราะเมื่อกี้รู้สึกตัวเลยเคยชินใครหัวเราะด้วยความเคยชินสารภาพยกมืออย่าสาธุให้ตัวเองด้วยาการที่เรารู้ว่าหัวเราะเมื่อกี้เคยชินแสดงว่าเรารู้สึกตัวแล้วเนี้ยเยการศึกษาพุทธศาสนาเห็นมันตรงเนี้ยเห็นเขาอยู่เรื่อยเื่เห็นเขาอยู่บ่อยๆเห็นเขาอยู่เนืองเนือง แล้วพอเห็นปั๊บเห็นปั๊บความรู้สึกมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นมาคุณโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดถามอาตมาบอกอาจารย์สอนแบบไหนจะมาปฏิบัติอาตมาบอกอ๋อสอนเรื่องความรู้สึกตัวพอพูดปั๊บแกขาเข้าใจแล้วค่ะเคยไปเข้าคอร์สมาหลายครั้งแล้วอาตมาก็ถามโยมที่พยักหน้าว่าเข้าใจเมื่อกี้เนี้ยพยักหน้าด้วยความรู้สึกตัวหรือเคยชิน พวกเราคิดว่าแกรู้สึกตัวหรือเคยชินเคยชิ น, ชนแต่แกตอบชัดเจนมากก็รู้สึกตัวสิคะเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจคนทําอะไรไม่รู้สึกตัวก็คนไม่มีไม่มีสติคนบ้าสิอาจารย์โอเคมันยังไม่เข้าใจพอ <c oughs> ดพัดลมพัดมาพอพัดปั๊บผมแกตกแกก็สลัดเพืบแล้วก็โยมที่สลัดผมเมื่อกี้เนี้ยทําด้วยความรู้สึกตัวหรือเคยชินพวกเราคิดว่าเขารู้สึกตัวหรือเคยชิน เคยชินแต่เขาตอบชัดเจนก็รู้สึกตัวสิคะก็ผมมันตกโยมก็สลัดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เสยเนี่ยโอเคมันยังไม่เข้าใจแว่นเขาตกก็มือดุนปุ๊บพอดุลปุ๊บ ป, บปตมาถามโยมที่ดุนแว่นเมื่อกี้รู้สึกตัวหรือเคยชินแกมองหน้าเสียงเริ่มแข็งรู้สึกตัวค่ะยังไม่ทันปฏิบัติจะทะเลาะกันแล้ววะเฮะโอเคไม่เป็นไรจ้ะโยม เอ่อที่พักอยู่ด้านนู้นนะแ้วเดี๋ยวสงสัยอะไรก็ค่อยมาถามกันขอบคุณอาจารย์โยมที่พยักหน้าเมื่อกี้เนี้ยรู้สึกตัวหรือเคยชินพวกเราคิดว่าเขารู้สึกตัวหรือเคยชินเคยชินเขามองหน้าอัตมาก็เลย attention please ขออธิบายนิดนึงความเคยชินของคนไทยพอเข้าใจเราพยักหน้าแต่ความเคยชินของแขกพอเข้าใจเขา ที่สายเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกตัวหรือเคยชินทันไหมทันไหมไม่ทันตกลงที่สายเมื่อกี้รู้สึกตัวหรือเคยชินเคยชินโยมกดไลค์ให้เพื่อนเราหน่อยสาธุการที่โยมรู้ว่าเมื่อกี้ที่สายไปนั้นเคยชินแสดงว่าโยมรู้สึกตัวแล้วขันห้ามันทํางานโยมมีภาพในหัวสัญญาที่มันจําได้หมายรู้ไว้ส่วนบางคน เราบอกคนไทยเข้าใจเราพยักหน้าแต่แขกเข้าใจเนี่ยเขาทำอย่างไรบางคนไม่มีภาพไงเออแล้วมันทําไงอ่ะเขาไม่สา ย, ยางไงแต่พวกนี้มีใช่ไหมพอมีปั๊บทันทีเลยเคยไปอินเดียมาหรือเปล่าไม่เคยแต่ว่อาอันเนี่ยไม่ไม่เคยลองทําที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นนะเห็นนะพอไม่เคยปั๊บมันไปทันทีเลยนี่คือขันห้ามันทํางานเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเข้าใจในการทํางานของขันห้ามันเป็นยาปากคอก แล้วก็ไม่เพลินในเวทนานันทิราคะตัวเนี้วันนี้สอนลูกสอนตนเพราะฉะนั้นการที่จะสอนลูกได้ต้องสอนตัวเองให้ได้ด้วยก็เลยต้องอธิบายคุณโยมแกไปบอกว่าโยมเข้าใจนะคนไทยเข้าใจเราพยักหน้าแต่แขกเข้าใจเนี่ยเขาสายหน้าเพราะฉะนั้นความเคยชินของแขกคือสายหน้าความเคยชินของคนไทยคือพยักหน้าอแตมาไปอินเดีย ไปลงที่เนปาลพอไปที่เนปาลเขาถวายอาหารพอถวายอาหารเต็บเราก็ฉันนะพอฉันยังไม่ทันเสร็จเลยเดินมาแล้วถือหม้อข้าวมาพันเตยอละ่ะเอาอีกไหมด้วยความเคยชินเราใส่หน้าเขาใส่พับปกติฉันน้อยข้าวจะไม่เกินห้าคยจะจะฉันอยู่แค่นั้นเห็นไหมรักษาหุ่นเห็นไหมยังดีอยู่นะโอเคนะข้าวจะฉันไม่เกินห้าคำนี่ฉันไปแล้วอะ่ะ พอเดินมาปั๊บเราใสา่เขาใส่ปึบเราก็ทําไงอ่ะก็ต้องฉันต่อฉันยังไม่ทันหมดทางนี้เดินมาอีกแล้พันเตยอละ่ะด้วยความเคยขินใส่ปั๊บเขาใส่ผับเฮ้ยทําไงเว้ยเราก็ต้องฉันต่อฉันยังไม่ทันหมดทางนี้เดินมาอีกแล้อาตมามือปิดกูไม่พูดกับมึงละคือมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายกันไงนั่งงงงเฮ้ยไม่เข้าใจเว้ย อิ่มแล้วอะขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะ เ, อเคยเห็นฝรั่งปอกมะม่วงไหมเขาปอกอย่างไรทันไม่ทันไหมที่ยกมือขึ้นมาเนี่ยไม่ทันตกลงที่ยกมือเมื่อกี้รู้สึกตัวหลือเคยชินโยมกดไลค์ให้เขาด้วยสาธุการที่โยมรู้ว่าเมื่อกี้นี้เคยชินแสดงว่าโยมรู้สึกตัวแล้วตรงนี้เรียกว่ารู้ทันหรือรู้ตาม รู้ตามรู้ทันก็ได้รู้ตามก็ได้โยมมีภาพในหัวพอบอกฝรั่งปอกมะม่วงแกพึบขึ้นมาเลยนะมือมันไปเลยอะ่ะอัตมาพอเห็นปั๊บก็บอกเฮ้ยอันตรายทำไมอยู่ปอกอย่างนั้นฝรั่งก็งงส่งมะม่วงให้เราพอส่งให้เราเราปอกอยังไงทันยังไม่ทั น, ทนหรือไม่ทัน <laughs> มือที่ไปอัตมาไม่ได้พูดถึงปากที่ตอบแต่มือที่ไปเนี่ยแอคชั่นที่มันเกิด สังเกตนะตรงนี้อยากจะให้สังเกตกันนิดหนึ่งพอเขาส่งมาให้ปับ๊บอาจมาก็ปอกออกพอปอกปับ๊บฝรั่งชี้เลยเฮ้ยอันตรายทำไมอยู่ปอกอย่างนั้นมันคุมทิศทางไม่ได้อาจมาก็ได้ไม่ได้มันไม่ถูกค่ากันแล้วก็ลมันออกอะ่ะมันออกแต่ถ้าเข้าเนี่ยมันพึบเข้ามาใช่ไหมของเราให้ออกอะ่ะเพราะฉะนั้นความเคยชินของเขากับความเคยชินของเรา ไม่เหมือนกันฝรั่งส่งน้ำแม่ตมาประส송ปับ๊บเขาจับหูใช่ไหมเราจับแก้วประจับปับ๊บเราพึบเราจับหูฝรั่งงงถามอยู่ทําอะไรตอตมาบอกร้อนรร้อนแล้วทาไมอยู่ต้องจับหูไอเราก็งงแล้วของอยู่เวลาร้อนอยู่ทําไงก็ร้อนก็ร้อนเฮ้ยตกลงประเพณีจับหูเขาไม่มีอะ่ะไหนใครจับหูม้างยกมือดิโอยยังพอมีแก่พอๆกัน รุ่นเก่ารุ่นเก่าก็าาสอนจับหูแต่ว่ารุ่นใหม่นี่มันไม่เ resident, ded, Superman, จอไงเราก็ยังเคยชินแต่ฝรั on ่งเวลาโกหกเขาทาอย่างนี้พอโกหกปั๊บเขาทำเงี้ยตมาก็งงอยู่ทําอะไรแกก็กําลังโกหกแม่แล้วมันหมายความว่าไงอ่ะฮัลโหลไหนใครอธิบายได้ไอ้เนี้ยแม่เอามีอะไรอีกบางคนบอกมันเป็นขิงอ่ะอาจารย์ขิง มันคืออะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรนะคื อ, ค, อคือเรางงกันเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยจ้ะเพราะฉะนั้นประเพณีของเขากับประเพณีของเราไม่เหมือนกันเวลาลุ้งกินน้ำขึ้นถ้าชี้ปั๊บต้องทำไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกสอนมาแบบเนี้ยพอปุ๊บปั๊บนึกขึ้นได้รีบปุ๊บพอปุบป๊บก็ขำตัวเองนะมันมีเรื่องน่าขำตัวเองหลายเรื่องของขันห้ามันทางาน จะมาเห็นไอ้ไอ้ลูกโลกอ่ะลูกโลกที่เขาวางไว้ก็เห็นปั๊บเดินเข้าไปปุ๊บประเทศไทยอยู่ไหนแล้วมันยุ่งอะไรด้วยทําไมไม่ดูประเทศอื่นรัทธิชาตินิยมเฮ้ยพอเห็นเห็นโลกปับป๊บประเทศไทยอยู่ไหนขนาดจะวาดตลัปัดปั๊บพอวาดโลกปับ๊บเฮ้ยใส่ประเทศไทยเข้าไปด้วยเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกลึกๆที่มันมีอยู่ ฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะอาจารย์จะเช็คสายเป็นระยะระยะไม่เป็นไรจ้ะตกลงว่าก็เลยต้องอธิบายให้คุณโยมเขาฟังบอกว่าลองสังเกตความเคยชินกับความรู้สึกตัวมันคนละตัวกันเพราะฉะนั้นขณะที่อยู่ที่วัดจะเดินนับจะเดินความรู้สึกที่เท้าก็ได้นั่งความรู้สึกอยู่ที่ท้องก็ได้นอนความรู้สึกไปอยู่ที่ลมก็ได้สาคัญที่สุดก็คือรู้สึกตัว นั่งก็นั่งให้เต็มบาทเดินให้เต็มบาทยืนให้เต็มบาทนอนให้เต็มบาทอย่าอยู่แบบห้าสิบสตางค์เข้าใจคำว่าเต็มบาทไหมฮัลโหลอัตมาทาให้ดูไหมเดี๋ยวถ้าเห็นพระเต็มบาทก็บอกว่าเต็มบาทถ้าไม่เต็มบาทช่วยบอกว่าไม่เต็มบาทตกลงไหมตกลงนะโอเคนะเต็มบาทอยู่นะ เฮ้ยขนาดนี้แล้วไม่เห็นเหรอเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ตกลงกันว่าไงถ้าเห็นแล้วทำไงแล้วทำไมไม่บอกรอให้แมงวันเข้าก่อนใช่ไหมเพื่อนอุตสาลงทุนดักแล้วเดี๋ยวรอพักหนึ่งเต็มบาทก็ไม่เต็มบาทมันจะอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอัตมานั่งรถไปแล้วก็ มันก่อนนั่งรถเมย์น่ารักมากเลยจยากไปคอยรถเม์ไอคันที่เราคอยมันไม่ยอมมาสักทีไอคันที่ไม่คอยมันมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเราก็เลยไม่สนใจไอคันที่เราจะคอยละแต่สนใจดูคนคนที่มาน่ารักมากหอยสังคมคอยลายเฮ้ยนั่งกันมาด้วยกันต่างคนก็ต่างรุนรุนแล้วพอได้ยินเสียงรถก็เงยหน้าดูแล้วก็ลงไปต่อแล้วก็ดูดู ด, ดูไม่ได้ว่าอะไร พอรถจอดบพอดีไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยไปถามยามบอกว่าเอ๊ะรถเม์ตรงนี้ที่จะไปทางลาดเพ้าสายอะไรพอาถามเสร็จปั๊บแล้วก็ไปนั่งคอยโอ้โหเป็นชั่วโมงดูเดือดมากพอดีมีสไตล์กันด้วยมันต้องหลบบางเส้นอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าที่นั่งเสริมของพระอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างหน้าจะมีที่เดียวจ้ะ ก็ขึ้นปับ๊บกระเป๋ากับเจเฟอร์เขาก็ช่วยลุกให้พระด้วยมันหันมองหน้าอาตมาตอรตมาก็เลยขออภัยนะขอขอโทษด้วยจ้าไม่เป็นไรครับเดินกระเป๋าเขาบอาที่นั่งข้างหลังมีที่นั่งข้างหลังจ่าถึงปึ๊บคือคือมันมันเสียจังหวะเขางาเขากาลังเขากำลั ง, ลงนะ แล้วพอปุ๊บปั๊บมันสะดุดแล้วก็ขอโทษนะตมาก็เรียบร้อยมากเลยไปถึงก็นั่งจองสุภาพมาคือคือขอโทษว่าเราผิดไปแย่งที่เขาแต่จริงๆก็เขียนบอกว่ า, าสำรองให้พระก็มีที่เดียวเราก็ลุ้นนะนะลุ้นอ <c oughs> ะพอขึ้นไปนั่งปั๊บก็หันไปหอยสังคมจะเป็นแถวโอเคนั่งเขาก็เฮ้ยขนาดนั่งรถเมล์เขาก็ยังลายได้นะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็ดู จนกระทั่งไปถึงวันนั้นมีนั่งสามต่อมันดีไม่เป็นไรเรานั่งตรงนี้ไปลงแล้วก็ไปต่ออีกคันหนึ่งก็สังเกตคนยุคใหม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีนี้ที่จะเล่าก็คือตอนขณะที่เรานั่งคอยเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละคนที่จะนั่งแล้วก็ดูของตัวเองแล้วก็เงยแล้วก็ลงไปแล้วพอขึ้นรถเมย์ปั๊บเราก็จะไปดู แต่ละคนพอรถมันจอดปั๊บเราก็จะเห็นคนข้างล่างเขาก็มองป้ายเสร็จแล้วเขาก็ลงแล้วเขก็ดูนาฬิกาแล้วก็มองดูนาฬิกาแล้วก็มองดูนาฬิกาแล้วก็มองมองรถว่าเมื่อไร่มันจะมารถมันจะมาก็ต่อเมื่อมันมารถมันจะมาก่อนมาไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นดึงให้ตายถ้ามันไม่มาก็คือมันไม่มาไม่ต้องไปดึงหรอก ไม่ต้องไปตึงจ้ะดูก็คือดูเฉยๆแต่ว่า outside acting inside knowing อยู่กับตัวเองวันนั้นอธิบายโยมหลายอย่างบอกขณะที่อยู่ที่วัดอยู่ให้เต็มบาทเดินให้เต็มบาทนั่งให้เต็มบาทยืนให้เต็มบาทแล้วก็นอนให้เต็มบาทกายกับใจให้อยู่ด้วยกันกายกับใจอยู่ด้วยกันอย่าเดินแบบห้าสิบสตังค์ก็ถามแกตกลงเข้าใจใช่ไหมค่ะแกไม่กล้าพยักหน้าเฮ้ยตอนนี้ไม่กล้าพยักหน้า แล้วแกก็ไปแกก็ไปที่ชอบของแก่นะอัตมาก็ไปที่ชอบของอัตมาคนละทางกันพอเราไปทาธุระเสร็จออกมาแกมาดักอยู่ที่ศาลาพระอาจารย์คะขอกราบคะ่ะเราก็เข้าไปพอนั่งปั๊บแกกราบปึ๊บแล้วก็หยุดนิดหนึ่งแล้วแกก็กราบกราบสามครั้งพอกราบเสร็จอัตมาก็ถามโยมที่กราบพระเมื่อกี้กราบด้วยความรู้สึกตัวหรือเคยชินแกตอบน่ารักมาก พระอาจารย์ค่ะตอบตามตรงนะคะกราบครั้งที่หนึ่งกราบด้วยความเคยชินค่ะกราบครั้งที่สองครั้งที่สามรู้สึกตัวเต็มเต็มค่ะพระอาจารย์ <c oughs> วิเราฟังแล้วขนแขนสแตนอัพเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าใจสิ่งที่เราพูดแล้วเมื่อเช้าพูดกันไม่เข้าใจตอนนี้เขาเข้าใจแล้วอาตมาก็บอกโอเคแล้วตอนนี้พูดจาภาษาเดียวกันละมีอะไรว่ามา พระอาจารย์คะจะมาสารภาพกับพระอาจารย์ค่ะเมื่อเช้าที่โยมบอกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกตัวจริงๆเคยชินทั้งหมดเลยค่ะที่โยมพยักหน้าโยมก็พยักหน้าด้วยความที่โยมสลัดผมโยมก็สลัดผมด้วยความที่โยมขยับแว่นโยมก็ขยับแว่นด้วยความ และที่โยมเถียงพระอาจารย์โยมก็เถียงด้วยความเคยมันรับไม่ได้ที่จะมาว่าโยมไม่มีสติเพราะโยมไปเข้าคอสกรรมาฐานมาหลายครั้งแล้วแต่ตอนนี้ยอมรับแล้วค่ะว่าเคยชินล้นๆ้นเลยค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะพระอาจารย์คะอันเนี้ยเคยชินอีกแล้วค่ะโยมกดไลค์เขาหน่อย<า>คือพอเขาบอกอันเนี้ยเคยชินอะตอัโอเคแล้วโอเคแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้น ไปปฏิบัติต่อแล้วเดี๋ยวสงสัยอะไรค่อยมาถามกันอีกนิดได้ไหมคะพระอาจารย์ตอนนี้รู้สึกตัวเต็มๆนะคะรู้สึกข้างในมันอยากจะเล่าข้างในอยากจะเล่าเล่าได้ไหมเราก็โกเอ่ะมีอะไรว่ามาพระอาจารย์คะโยมไปเข้าคอสกรรมฐ า, านมาหลายครั้งมากแล้วก็มีคนมาถามปัญหาธรรมะกับโยมโยมก็สามารถตอบเขาได้โยมคิดว่ายมเข้าใจเรื่องศาสนา แต่โยมเพิ่งจะรู้วันนี้ค่ะว่าโยมไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดจนอายุห้าสิบกว่าพระอาจารย์อย่าไปบอกใครนะคะโยมลูกสามคนค่ะจบปริญญาชั้นสูงแล้วอยู่เมืองนอกแม่มันยังรู้สึกตัวไม่เป็นแล้วลูกจะไปรู้สึกตัวเป็นได้อย่างไรแม่มันยังรู้สึกตัวไม่เป็นแกเอามือตีด้วยนะแม่มันยังรู้สึกตัวไม่เป็นล อ, ลองตีที่แล้วบอกดิ แม่มันยังรู้สึกตัวไม่เป็นรู้นะกูรู้กูรู้คือคอพอเขาพูดปั๊บอาตมาขนขนนหัวลุกอะ่ะคือเนี่ยมีน้อยมันก็ลุกได้นะ <laughs> เขานั่งประจานตัวเองให้อาตมาฟังอะ่ะคือคนพอเข้าใจธรรมะปั๊บเขาจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วเขาจะไม่อายในการที่จะเปิดกิเลสถ้ายิ่งมงุงยิ่งบงัง ฝนยิ่งรั่วรดแต่หลังคาที่มุงดีบางดีเนี่ยฝนไม่รั่วรดแต่กิเลสถ้ายิ่งมุงยิ่งบังฝนยิ่งรั่วรดตรงนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้เพราะฉะนั้นของเราถ้าเห็นกิเลสข้อบกพร่องอะไรของตัวเองเจอครูบาอาจารย์เราบอกเลยว่าตอนนี้มันมีปัญหาตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรฮัลโหลส่วนมากเวลาเจอใครเราพูดข้อดีหรือข้อเสียให้เขาฟังข้อดี แล้วก็ใครไม่ดีเราก็ด่าให้เขาฟังนินทาให้เขาฟังดูยายลายองเดี๋ยวนะดูดูดูยายลำยอ ง, ยองไอข้างบ้านเนี่ยเหมือนยายลํายองเปียบเลยนะแต่ลืมพูดว่าขณะที่กูว่าอยู่นเนี้ยเนใี่ยนายยายลำยองคนหนึ่งเหมือนกันก็คือนินทาคนนะนะกับพระเขาก็ว่าใช่ไหมลํายองอะ่ฮะฮัลโหลเห็นโยมเล่าให้ฟังไม่ได้ดูหรอกอย่ากบอกว่าไปว่าหลวงตาที่วัดว่าเอาลูกเขาไปใช้งานอยู่ สงสารวันเฉลิมอีกแล้วใช่ไหมนเนี่ย <laughs> จ้ะอ่ะก็กลับมาฝากนิดหนึ่งคือวันนั้นพอฟังแล้วก็เลยประทับใจก็บอกว่าโยมตกลงโยมเข้าใจหลักแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วเดี๋ยวสงสัยอะไรค่อยมาถามกันสังเกตเรื่องความเคยชินอัตมาเมื่อก่อน <laughs> ก่อนบวชไว้ผมยาวปะบ่าเลยนะไวไวยาวอยู่แล้วก็ตอนบวชโกนหัวแล้วอะพอเดินเดินเดินสลัดปึ๊บ <laughs> ไม่มีเลยจ้ะมันเสยประเสริปุ๊บเพื่อนหันไม่เห็นทำอะไร <c oughs> เราก็เออไม่มีอะไรเร <c oughs> นะเก่าเฉยไปเลยนะมั่วไปเลยจ้ะแต่ว่าเสยอะเสยคือมันนานแล้วไงที่เราทำไว้อย่างนี้มันหลายปีมันติดนิสัยท่านเจ้าคุณจะไปออกชื่อท่านเจ้าคุณพยอมท่านเวลาพูดแล้วท่านยักคิวววยยกค้วข้างเดียวด้วยยักคิ้วข้างเดียว เสร็จปั๊บโยมไปว่าท่านโกนคิ้วเรื่องจะยักคิ้วข้างเดียวอีกเวลาพูดแต่ทำไมชอบยักคิ้วท่านหันมาพอดีตอนนั้นไปเจอท่านแล้วก็ตามไปฟังธรรมท่านก็เลยประสงค์เวลาผมพูดผมยักคิ้วด้วยเหรอครับอาจารย์ท่านไปบอกพระเนนทั้งวัดเลยถ้าเห็นผมพูดแล้วยักคิ้วข้างเดียวเมื่อไหร่ช่วยบอกให้หนึ่งบาท เนนได้ไปเยอะเลยอ่ะเนนเดินตามท่านตลอดเลยอ่ะคือตรงเนี้เป็นความเคยชินแต่ว่ามันเป็น bad h a b ิ t เข้าใจนะเพื่อนอัตมาบวชแล้วเวลานั่งว่างๆให้นั่งปั้นขี้ไครอ่ะปั้นเนี่ยเอามือถูถูถูถูแล้วก็ปั้นแล้วก็ดีดปึ๊บลงหัวมันพอดีเราก็ดูเฮ้ยทาได้ยังไงนั่งต่อน้โยมแกนั่งปั้นหลงแกไปเรื่อยเลยจ้ะปั้นเฉยเลยจ้ะปั้นแล้วก็แล้วก็ดีด แล้วอี ก, อ, กองค์น่ารักมากเลยอะ่ะคือทานข้าวเสร็จเอาแล้วเริ่มแค่เฉยๆไม่ว่าบแค่เสร็จแล้วทำไงคือพิสูจน์กลิ่นว่ากลิ่นของใครเจอใช่ไหมตรงนี้มันเป็นแบทแทบิดแล้วบางคนรับไม่ได้มีคุณโยมคนหนึ่งน่ารักมากอาตมาถามบอกเป็นไงโยมผู้ชายที่บ้านเป็นแย่ yeah, อาจารย์ฮะ huh? โยมผู้ชายโยมเราแย่ใช่คือเราเห็นเขาเป็นคนดีมากไงเขาขี้เกียจอ่อโอ้ยไม่อาจารย์มันขยันจะตายไม่บอกให้หยุดมันไม่หยุดหรอกมันทำงานทั้งวันแล้วว่าเขาไม่ดีไม่ดีไงเขาสูบบุหรี่หรอไม่ไม่สูบเขาไม่เคยสูบตั้งแต่ชอบกันใหม่ๆก็ไม่เคยสูบไม่ดีไงอย่างนั้นเขากินเหล้าไม่กินอาจารย์เขาไม่ชอบขยันก็ขยันเหล้าบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่ดื่ม อย่างนั้นเขาไม่ดีเขาเล่นการพนันหอกไม่เล่นอาจารย์ขนาดลูกเอาไพ่มาก็ฉีกทิ้งเลยว่าบ้านนี้ห้ามมีการพนันเด็ดขาดไม่ดียังไงอ่ะขยันก็ขยันบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินการพนันก็ไม่เล่นเขาเจ้าชู้เหรอไม่อาจารย์รักโยมคนเดียวไม่รู้รักหัวปักหัวปำอะไรของมันแล้วมันไม่ดียังไงขยันก็ขยันบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กิน าการพนันก็ไม่เล่นเจ้าชู้ก็ไม่เจ้าชู้แล้วมันไม่ดียังไงพอาจารย์เขาแย่มากเลยเวลาคุยกับคนเขาชอบเกาตูดยมอายเขาว่าบอกมันกี่ครั้งมันก็ไม่ยอมเลิกไม่รู้นจะแก้งไงอัตมาทําได้ได้จริงๆเหรออาจารย์ได้ไม่มีปัญหาแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรอาจารย์ ไอ้ห้าข้อเมื่อกี้โยมไปเลือกข้อไหนก็ได้มาแรกแล้วเดี๋ยวธรรมาจะทำให้เขาเลิกเก่าตูดห้าข้อนะข้อที่หนึ่งขยันให้มันขี้เกียจให้โยมหาเลี้ยงมันอ่ถ้าไม่เอาข้อสองสู่ปุรีให้มันเป็นประเภทมวลชนเลยก็คือมวลต่อมวลอ่าฮะสูบให้ไฟคือควันเต็มโรงงานเลยนะควันขมงเลยก็ได้ เอามาแลกถ้าไม่เอาข้อสองก็ข้อสามกินเหล้ามอตอลว์เมาตลอดวันนะแต่ถ้าไม่เอาก็ข้อสี่ฮะการพนันไอ้พวกบ้าการพนันเนี่ยเคยเจอไหมกลางคืนตีหนึ่งทีสองมันลุกขึ้นมาเชียร์ญาติมันนะเราหลับไปแล้วนะสะดุ้งตื่นเลยมันเฮเราตอนเตะเข้าโกอะไรอย่างเงี้ยญาติมันญาติมันเอ่อทีมอะไรนะแม่นยูแม่นยูเนี่ยแม่นยูนะ แมนยูทีมแมนยูแมนแมนแนพวกอีสานก็จะเชียร์ทีมนี้ก็บอกทีมเดียวกันแมนยูแมนยูแมนแมนอีหลีแหละถ้าไม่เอาข้อสี่ก็เจ้าชูเผื่อเอาเอ็ดมาฝากโยมห้าข้อเอาข้อไหนก็ได้มาแลกขอคิดแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพระอาจารย์โยมได้สินั้นเดี๋ยวนี้มาก็ไปพอขากลับมาปุจฉา คิดว่าเขาเลือกอะไรเก่ตาตูดชัดเจนมากเลยเก่าก้นเก่าก้นไม่ใช้คําว่าตูดไม่สุภาพนะเก่าก้นตกลงมันเลือกเก่าก้นเหมือนเดิมก็คือข้อดีเ <c oughs> ขามีเยอะแยะเลยแต่เขามองไม่เห็นไงเขามองไม่เห็นพอพูดแบบนี้เริ่มเห็นข้อดีของคนที่บ้านเราหรือยังกลับไปหวัดดีมันได้ไหมขอบคุณค่ะเมื่อก่อนเห็นแต่เก่าก้นอย่างเดียวเลยจ้ะตอนนี้เริ่มเห็นอย่างอื่นและอาจารย์บอกตกลงแฟนเราน่ารักใช่ไหม อ, อน่ารักที่สุดเลยน่ารักจุงเบย์น่ารักจุงเบยโอเคกดไลค์ให้เพื่อนเราด้วยเอาสาธะเอ อ, เ อ, อมองเห็นความน่ารักของเขาบ้างโยมผู้ชายกลับไปก็ไปยืดได้เลยนะนี่รู้หรือเปล่าว่ามีข้อดีนะจะบอกข้อดีไม่ต้องไปเสนอเองจะให้คนอื่นเขาพูดนะถ้าออกจากปากเราแล้วมันมันมันน้อยไปหน่อยความดีมันลดลงตกลงว่าพอพูดกับโยมคนนี้พอแกเข้าใจปั๊บเราชื่นใจมาก หลังจากนั้นแกก็อยู่วัดวันหนึ่งแกกวาดวัดกาลังกวาดกวาดกวาดแต่ตมาเดินไปข้างหลังที่กวาดนี้รู้สึกตัวแล้วเคยชินแกนั่งพลบเคยชินร้วนๆเลยค่ะที่นั่งลงนี่ก็เคยชินค่ะตอนนี้รู้สึกตัวแล้วค่ะบ่กโอเคไปต่อไม่มีอะไรแล้วก็จี้จนกระทั่งวันจะกลับนี่แกมากราบลาปั๊บมาถึงปับ๊บพระอาจารย์ก็วันนี้จะกราบลาค่ะ อ้าวอ้าอ้าหูเริ่มยานแล้วอ่ะก็จะกราบลาไงเราก็นั่งเป็นลาให้กราบอ้าอ้าหูยานแล้วอฮัลโหลพวกเราเคยไหมเคยกราบลาไหมแล้วพระก็นั่งหูยาวให้กราบเลยใช่ไหมเวลาจะไปกราบพระจะบอกพระอาจารย์ก็กราบกราบลาพระอาจารย์บอกไปกราบลาพระอาจารย์ไปกราบลาก็นั่งซื่อฟืออยู่อั่างนี้ คุยเล่นๆกันพอเกะ ก, กลับเสร็จวันนี้จะกลับแล้วพอกลับน้ำตาไหลน้ำตาไหลอาจารย์คะอันนี้รู้สึกตัวเต็มๆนะคะแต่ว่าขันหน้ามันทํางานไม่ทราบว่าตัวไหนมันทําน้ําตามันไห <c oughs> นะปิติปิติเกิดแกบอกกาลังนึกอยู่ว่าทําไงที่จะทําให้ลูกรู้สึกตัวให้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ต่อให้เลี้ยงพ่อแม่เอามาเลี้ยงบนบาซ้ายบอกบาขวาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาของเราก็ยังไม่ใช่ไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่คุ้มค่าการตอบแทนบุญคุณที่คุ้มค่าคือทำให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิทำให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นทาอย่างไรที่จะทาให้ท่านมีสัมม า, า, ะะ ท, าทิฏฐิ ถ้าท่านมีสัมมาทิฐิเนี่ยจะเป็นการปิดประตูอบียภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดราาัจฉานไม่ต้องไปเวียนว่ายในภพภูมิเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมีลูกขึ้นมาก็ลองดูวันนี้สอนลูกแล้วก็ต้องสอนตอนพวกเราเคยสอนลูกแต่ลืมสอนตัวเองมีไหมลูกทําจานหล่นแตกเพกกระช่าแขนมาตีจําไว้นะจําไว้เรื่องทําจานหล่นแตกเนี่ย เราเคยทําหล่นไหมเวลาเราทําหล่นเรามองไปคนรอบข้างเรารู้สึกยังไงอายต้องการที่จะเห็นสายตาแห่งการให้อภัยแต่พอคนอื่นทําจานหล่นแตกเรามองด้วยสายตาแบบไหน <c oughs> ดูมันดูมัน <c oughs> ทางบ้านอะเหมือนแม่มันด้วยมัน <c oughs> ไล่กันไปนเลยเนี่ยไล่ตระกูลกันไปนเลยเราลืมคําว่าให้อภัยไง <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญไหม <c oughs> ลูกทําจานหล่นแตกเพ่ แม่กระชากลูกมาตีลูกขาดสติทางโลกแต่แม่ขาดสติทางพุทธศาสนาแม่ขาดสติภายในปล่อยให้ความโรคความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านสารพัด ท, ที่มันเข้ามาเพราะฉะนั้นการจะตีลูกเนี่ยตีได้ไหมจริงๆไ ด, ได้จ้ะการตีคือการรักษาโรคให้แก่เขา การตีคือการไล่ผีออกจากเด็กแต่ก่อนที่จะไล่ผีในตัวเด็กต้องไล่ผีที่ไหนก่อนไล่ผีในตัวแม่มันก่อนช่วยไปบอกลำยองหน่อยนะลำยองตีไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมฮลัลโหลดูแล้วสงสารวันฉเฉลิมไหมพูดแล้วมันก็ไม่เห็นสงสัยต้องกลับไปดูมั้งม่เ <laughs> ยจ้ะเสียเวลาบางทีเราขี้เกียจมันเสียเวลาเห็นบอกว่ามันฉายทีงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ฮัลโหลเมื่อก่อนเขาบอกว่าน้ อ, อยุงมันจะเริ่มออกหากินตอนสอมทุ่มกว่าใช่ไหมที่น้ำมันจะเริ่มเน่าไงน้าเน่าออ ก, ก็สอทุ่มกว่า เ, เดี๋ยวนี้หกโมงเย็นเริ่มเน่าเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าจะดูก็ก็โอเคแต่ถ้าบางเรื่องมันเป็นประโยชน์นะก็ดูแล้วให้ได้ประโยชน์ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเองก็คือถ้าจะสอนลูกก็ต้องสอนตัวเองด้วย อมประสบการณ์ตรงอาตมาไปเดินทุดงแล้วไปเช้าไปบินทบาทพอขากลับมันมีเด็กตามมาที่วัดสงสาคนสองคนเราก็เอาขนมเอาอาหารแบ่งให้เขากินเขาก็มีความสุขสนุกสนานกันมากเล่นกันพอวันรุ่งขึ้นไปบินตบาทใหม่กลับมามันมากันเจ็ดปดคนไอตัวเล็กมันไปตามเพื่อนมา มากันเต็มพอมาถึงปับ๊บเราก็มองอาหารในบา่าให้มองเด็กมันเยอะขนาดนี้เว้ยทำไงมองไปมองมามันไม่พอพอดีเห็นต้นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนลูกกำลังสวยเลยโอ้โหทะลายสิ บ, ย, สบยี่สิบลูกเรียบร้อยพอมองไปถึงปับ๊บเราก็ถามเด็กใครปีนต้นมะพร้าวเป็นบ้างไอ้สิบขวบนั่งเฉยไอ้ห้าขวบมันยกมือสี่ขวบกว่ายังไม่ถึงห้าขวบเลยไอโกจาชื่อมันแม่นมาก สี่ขวบกว่ามันยกมือโยงจะให้มันปีนไหมอาตมาก็หันไปโกโกปีนต้นมะาพร้าวเป็นเหรอเป็นเออโกแก้งถามมันเวลาโกปีนเนี่ยพอถึงเวลาที่จะลงเนี่ยโกโกใช้โดดลงมาหรือว่าใช้กลิ้งลงมันนั่งดีๆนะมันลุกพึบมองหน้าตมาโดดลงก็ตายหาสิวะพระอะไรไม่รู้เรื่องเลย โอ้เพ oh, so so so so ื uh. later, ruled, ่อนตา่ตมานั่งหัวเราะท้องแข็งมันชอบชอบใจมากเห็นเด็กด่าตมาโดดลงก็ตายหาสิวะพระอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขาใช้ค่อยคอยลูดลงไม่เคยเห็นหรือไงจ้าจ้าจาไม่เคยก็เลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่กล้าให้มันปีนทำใช้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยสวยแน่เลยเราแย่แน่เลยเราก็เลย หันไปเห็นต้นมะขามเลยบอะนุ่นนุไปเก็บมะขามกันก็แล้วกันมันก็เลยวิ่งออกไปแย่งเก็บมะขามกันไอ้เพื่อนก็หัวเราะชอบใจหัวเราะค้างนานๆจะได้ยินเด็กมาด่าพระให้มันฟังเราก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเขากําลังเก็บมะขามแป๊บเดียวเสียงดังมาขอภัยนะเสียงในฟิล์มแม่งกูเก็บก่อนมาแย่งเดี๋ยวการขอแม่งเลยแตมาหันไป ไอ้สี่ขวบกว่ามันจะก้า like um. นคอไอ้สิบสองขวบแต่มาดูเฮ้ยทําไมมันด e. ุขนาดนี้วะแล้วมันจะได้แก่ตายไหมเนี่ยพอเก็บเก็บเสร็จเรียบร้อยมาถึงปั๊บโยนครมลงมาแต่มาบอกเอาใหม่ใหม่หมค่อยๆค่อยๆถวายค่อยๆฝึกเขาอเขาก็ถวายเสร็จปั๊บเราก็ทานอาหารแล้วก็แบ่งขนมแบ่งอะไรต่างๆแล้วพอดีเจอมาม่าก็เลยเอาไปต้มให้เขาหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็เล่นกันอยู่ที่วัดนั่นนะ แต่เราก็งงว่าทําไมไอเด็กคนนี้มันดุมากพอใบบ่ายได้ยินเสียงห้าวดังมาขอภายเสียงในฟิล์มแม่งหายหัวไปไหนทั้งวันเดยวเฉื่อยแม่งเลย <c oughs> เสียงใคร <c oughs> พ่อไอโกอ่ตมาบรรลุเลยบรรลุเฮ้ยเฮฮ้บรบรลุเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องนี้นะโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วที่ไอโกมันเป็นอย่างนี้ มันได้จากพ่อมาเต็มๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสอนลูกสอนตนมีเรื่องที่เล่ากันอยู่เป็นประจำก็ที่เด็กเข้าไปโรงเรียนแล้วคุณครูถามบอกว่าบิดามารดาแปลว่าอะไรเด็กเงียบหมดคุณครูบอกกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะแล้วพวกนี้าคำตอบมาบอกไอ้นี้กลับไปถึงบ้านพ่อนั่งดูฟุตบอลยูโรนั่งดูฟุตบอลพ่อ บิดามารดาแปลว่าอะไรไปถามแม่มึงนุ่นไปอย่ามายุ่งเดินไปหาแม่แม่เพิ่งจะเสียไพ่มาแม่พ่อให้มาถามแม่ว่าบิดามารดาแปลว่าอะไรนุ่นเลยไปหาพ่อมึงนั่นนะวัน ว, นวนดูแต่บอลกูจะต้มบอลให้มันกินแล้วไอจุกเดินกลับไปหาพ่อพ่อแม่ใหมาถามพ่อบิดามารดาแปลว่าอะไรพ่อลุกขึ้นยืน บิดาก็พ่อมึงนี่ไงมารดาก็แม่มึงอ่ะออกไปเลยไปเด็กจําแม่นเลยอ่ะพอไปถึงโรงเรียนคุณครูถามไหนใครตอบได้ไอ้นี่รุกพึบบิดาแปลว่าอะไรบิดาก็กูนี่ไงครูถามแล้วมารดาก็แม่มึงอ่ะฮัลโหลสอนลูกสอนตนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริง เรื่องเมื่อกี้ไม่ทราบนะแต่ตรงตรงนี้ยอคุณครูโทรไป <c oughs> หาผู้ปกครองอผู้ปกครองเด็กชายสมศักดิ์ใช่ไหมคะใช่มีอะไรเอช่วยมาโรงเรียนหน่อยคะ่ะ <c oughs> เด็กชายสมศักดิ์มีปัญหาคะ่ะ <c oughs> พอไปถึง <c oughs> มีอะไรเอเด็กคนอื่นสอนได้หมดเลยแต่ลูกของคุณพ่อสอนไม่ได้สอนก็ ก็ไก่นะก็ไก่คนอื่นก็ก็ไก่ไอ้นี้ก็ไก่ไตหา่าก็ไก่ก็ไก่ไตหา่าขอไข่คนอื่นขอไข่หมดไอ้นี้ขอไข่ไตหา่าก็ไก่ก็ไก่ไตหา่าขอไข่ขอไข่ไตหา่าเนี่ยไม่ทราบว่าลูกของคุณพ่อเป็นอะไรไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวตบให้ตายห่าเลย <laughs> สอนลูก สอนตนพนมมือให้คาถาว่าตามเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าแม้นละไม้คล้ายแม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตามเหล่ากอผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอๆกันสาธุจ่าเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อเรื่องสอนลูกสอนตนหมดเวลาขอจเจริญพร มีเวลาเหลือแปดนาทีเจ็ดนาทีใครจะถามอะไรว่ามาขออนุญาตถามพระอาจารย์ค่ะที่เมื่อกี้พระอาจารย์แอบพูดขึ้นมานิดนึงตรงเรื่องวิญญาณที่มีสามประเภทนะคะวันนี้สนใจสั้นๆก็ได้ค่ะพระอาจารย์ต่ออีกครึ่งชั่วโมงสั้นๆก็ได้วิญญาณสาประเภทวิญญาณโซวิญญาณสปิริชววิญญาณคอนเทนเซตวิญญาณโซ์คือวิญญาณอะไรอะผีอีพิงอีแพงอะไรนั่นะที่มันร่องรอยอะวิญญาณร่องรอย วิญญาณสปิริตชั่เช่นคนนี้มีวิญญาณแม่คนนี้มีวิญญาณนักกีฬาคนนี้มีวิญญาณนักสู้คนนี้มีวิญญาณหมอรู้จักวิญญาณหมอไหมสมัยตมาเด็กๆจะมีเพลง เ, เ, คเคยเป็นเด็กมาก่อนนะไม่ได้เกิดแล้วแก่เลยนะค่อยๆผ่านวัยมามันจะมีเพลงแถวบ้านที่ก็ร้องกันใครร้องเพลงนี้ได้ช่วยร้องหน่อยเด็ดจะสรุปเรื่องวิญญาณให้ฟัง ช, ช่วยร้องดังๆนะ มันขึ้นต้นด้วย I am sorry กะจี้หัวใจหนึ่งสองสา I am sorry กะจี้หัวใจ I am ตกบันไดตัวไหน <c oughs> <c oughs> รู้สึกคนละเพลงกันเนี่ยเพลงอัตมา I am sorry กะจี้หัวใจ I am รอดตายเพราะหมอเบนเคซี่คุณเคยไหม ใครพยักหน้าเนี่ยแก่แก่จริงๆแก่คือหมอเบนเคซี่เนี่ยเป็นหมอที่มีจิตปัญญาณของความเป็นหมอไม่สนใจเรื่องเงินทองตาบอดสีมองแบงค์พันเป็นเศษกระดาษไม่มีคุณค่าสนใจแต่ชีวิตคนคุณหมอเมืองไทยก็มีท่านหนึ่งอพอเรียนจบปับ๊บออกรักษาชาวบ้านเงินไม่มีไม่เป็นไรขออาหารมื้อหนึ่งพอแล้วเดินรักษาจนรองเท้าขาด ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเท้าเปล่าต่างชาติบินมาดูงานเกิดความประทับใจเขาก็เเรมอบรางวัลแม็กซไใสใสให้กับคุณหมอท่านนั้นดังมากในเมืองไทยคุณหมอท่านนั้นมีชื่อว่าพึกนึกไม่ออกอยู่ต่างประเทศกันเนาะพวกได้รับรางวัลแม็กซใสใสในเมืองไทยดังมากหมอหมอหมอหมอ เมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยคุณหมออะไรมีมีห้าท่านที่ได้รับรางวัลแม็กซใส่ใส่เมืองไทยเนี่ยดังในประเทศไทยมีชื่อว่ารู้ก็บอกเธอไม่เป็นไรหรอกจ้ะคุณหมออะไรเฮ้ย ต, ตกลงลำยองมีสามีแล้วกี่คน อันนั้นตอบได้ใช่ไหมีง่ายกว่าง่ายกว่ า, าคุณหมอหมอกระแสชนะวงกดไลค์ให้เพื่อนเราด้วยจ้ะสาธุาค่ะหมอประเวศวสีได้รับรางวัลแม็กซไซแต่ไม่ใช่หมอเท้าเปล่าจา้ะมีทนายความท่านหนึ่งเรียนจบแล้วตาบอดสีมองแบงค์พันเป็นเศษกระดาษรักความยุติธรรมว่าความไม่มีสตังค์ให้ไม่ว่านะแต่ขอให้รู้ว่าโดนโดนเอาเปรียบโดนโกง ว่าความจนต่างชาติบินมาดูงานเกิดความประทับใจเขาเลยมอบรางวัลแม็กซใส่ให้กับทนายความท่านนี้อยู่บ้านอยู่ทางสระ บ, บุรีเลี้ยวขวาตอนนี้เสียชีวิตเป็นแล้วใบขนาดนี้มันยังไม่รู้อีกหรอทองใบทองเปลา่ามีคุณครูท่านหนึ่งสมัยเรียนหนังสือเตียมบอกว่าบ้างเราจงออกมาช่วยกันทำงาน ทำงานไปร้องไห้ไปพอเด็กคนไหนเข้าใกล้วิญญาณครูสอนเด็กจนแตกฉานจนในที่สุดพ่อแม่เอาเด็กมาฝากแกเต็มไปหมดจนต้องตั้งโรงเรียนวันละบาทขึ้นมาสอนจนต่างชาติบินมาดูงานเกิดความประทับใจขเขาเลยมอบรางวัลแม็กซส่ใให้กับคุณครูสาวท่านนั้นสอนอยู่ที่สลัมคงเตยตอนนี้แต่งงานกับญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วใบจนจะบอดจะหนวกขนาดนี้อา้าตอบดังๆครูปฏิบึงทรงถามตรงนั้น น, นี่คือวิญญาณ <Spirit. S 1> วิญญาณสปิริตชวลส่วนวิญญาณคอนชเชสเนตก็คือวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในทั้งหกกระทบกับอายตนะภายนอกทั้งหกมีวิญญาณทั้งหกเข้ามารับรู้ทำสามประการรวมกันเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะด้วยอวิชชาทุกจึงเกิดตรงนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้องเรียนรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธไม่ได้สนใจจะ้ะ แล้วพอพระจะสอนเขาก็ไม่ยอมที่จะฟังเขาบอกว่ามันยากพระก็เลยเออยากเอากูก็ไม่สอนก็เลยหายกันไปหมดเลยวันนี้พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวเขาก็บอกอาจารย์อย่าไปพูดเลยคนไม่เข้าใจอาจมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทั้งห้องขอสักคนสองคนก็โอเคแล้วอยากจะรักษาหัวใจของาศาสนาตรงนี้แต่ได้ผลนะตอนนี้มีหลายคนที่โทรมาขอบคุณวิธีการฝึกง่า ย, ายเรื่องความรู้สึกตัวดีไหมต่อเลยนะ ก็มันจะเขาบอกนักปราดจะเป็นเปรตถ้าหากเทศเกินเวลาทดเวลาบาดเจ็บสิบนาทีอาตมาขออภัยเมื่อกี้นี้เดินลับเพลินที่เนี้ยมาตั้งแต่สิบโมงแล้วแหละแล้วก็เดินไปรอบไม่จบอ่างเมื่อกี้นี้ฉันเสร็จแล้วเขาพาไปเดินต่อพอเดินเดินอีกสองนาทีบ่ายโมง บอกยมรัดตรงมาเลยแต่ว่ารัดไม่ได้ที่นี่ต้องกติกาเรียบร้อยถอดรองเท้าทางด้านไหนเดินทางด้านไหนเห็นเด็กยืนเอารองเท้าตบกันเพ่โอเรียบร้อยมากจาก้ะเห็นล้วชื่นใจไงะระเบียบวินยัยแต่ก็มีเด็กบางคนหันมาใครอ่ะใครมาทำไมอ่ะ <c oughs> แต่บางคนน่ารักมากพอเห็นป้าวัส ด, ดีกันเป็นแถวหวัส ด, ดีแต่ไกลเลยนะมาถึงกราบก้นโด่งก็มีอยู่ น่ารักอย่างน่ารักคือเรื่องเหล่านี้บางทีเราต้องฝึกแล้วถ้าไม่ฝึกเขาเลยเนี่ยบางครั้งก็มีปัญหาเด็กทางใต้ตอนที่อาตมาไปเห็นแล้วสลดใจจะไปมาเลแล้วไปเจอเด็กที่นั่นอาตมาไปบินตาบาดบิณตบาดแล้วก็พ่อเขาใส่บาทที่มาเลอีปโปพ่อเขาใส่บาทเสร็จปั๊บเขาตามมาถึงที่อาตมาไปพักตอนนั้นไปพักที่วัดจีน ตามมาถึงดีใจพาลูกพาภรรยามาถึงมากราบก็บอกตั้งแต่เขาอยู่มาที่นี่ไม่เคยมีพระบินดาบาทเราไปแล้วไปบินดาบาตเขาเลยประทับใจพอมาถึงปับ๊บเขามานั่งคุยกับตมาเขาก็เลยบอกลูกบอกว่ามึงไปคุยกับแม่ชีทางนู้นมึงไปคุยกับแม่ชีไล่ลูกไปแม่ชีก็นั่งอยู่ไอ้ลูกก็ไปถึงปับ๊บอายุสักสิบหกสิบเจ็ดแล้วนะเข้าไปถึงปับ๊บ ไม่ชีถามทำอะไรอ่ะมีอะไรเหรอพ่อกูให้กูมาคุยกับมึง <c oughs> เออเออนะไม่ชีก็เ อ, อ้ามีอะไรจะคุยว่ามาติเออมึงไปเที่ยวบ้านกูไหมน้ำออมีน้ำใจนะแม่ชี้บอกไปไม่ถูกไม่รู้อยู่ตรงไหนหันชี้มาทางอัตมาพึบ <c oughs> มึงท่ามไอ้นั่นมันแร่ <c oughs> ไอ้นั่นมันไปมาเร็วแต่จ้า ไม่คิดหัวเราจนน้าตาไหลได้แต่มาก็โอ้ยสังคมบ้านเราถ้ามันไม่มีการสอนอะไรต่อไปก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยแต่จริงๆเขาก็น่ารักอะนะพอไปถึงที่วัดที่วัดเอาโอเลี้ยงมาแจกทีนี้เขากินโอเลี้ยงไม่เป็นมั้งพอมาถึงปั๊บก็ <c oughs> ส่งให้ปั๊บเขาดูดปึด๊ดส่งใหแ้แม่อีแม่อีแม่มึงเอาไปแดกที่กูแดกไม่เม็ดหล้ว อาจมาก็ดูเฮ้ยมันพูดกันแบบนี้เฮ้ยภาษาภาษาจา้ะแต่ตรงนั้นเป็นภาษาแต่ความรู้สึกข้างในเขายังดีวันนี้พูดภาษาในฟิล์มเยอะนะเสียงในฟิล์มขอขออภัยด้วยไปตัดเองก็แล้วกัน เ, เด็กแปดขวบต้องได้รับการแนะนำใช่ไหมแต่แต่ลำยองเนี่ยต้องบอกนะว่าคนอายุส8บปดต้องได้รับคาแนะนาจากเด็กเพราะว่าบางทีไปนั่งดูแล้วนั่งร้องไห้อะเป็นญาติมันเป็นญาติมัน เป็นญาติข้างในอะญาติกับวันเฉลิมเพราะฉะนั้นอายุส8แปแล้วต้องได้รับคำแนะนำจากเด็กเด็กจะสะกิดแม่ร้องไห้ทำไมอะมันแสดงกันอยู่นะแม่ <c oughs> อะกลับมาสู่ขบวนการวันนี้ฝากเรื่องความรู้สึกตัวนิดหนึ่งวิธีการง่ายๆเดี๋ยวโยมกลับไปฝึกกันหลักปฏิบัติเอาหลักง่ายๆเลยเวลาโทรศัพท์ ส่วนมากพอเราได้ยินเสียงกรี๊งปั๊บเราทำยังไงเราหยิบขึ้นมาปั๊บอาจจะดูชื่อนิดแล้วก็รับใช่ไหมถ้าข่าวร้ายมามีปัญหาไหมมีข่าวดีมากๆนี่เธอรู้ไหมลอตเตอรี่ที่ร่วมกันซื้อหกใบร า, างวัลที่หนึ่งเป็นไงปึบได้ไหมดีใจมากก็มีปัญหาเสียใจมากก็มีปัญหาทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหาตั้งสติก่อนพนมมือว่าตาม เวลาจะรับโทรศัพท์นะเสียงที่มาตามสายนี้าาานอาจทำให้เราดีใจเสียใ จ, ยใจหรือขาดสติสตไม่ว่าเสียงจะมาอย่างไรก็แล้วแต่ ก, แกูจะไม่ทุกข์กับมันโว้ยเอออันนี้เตือนตัวเองนะใช้คำ ฉันจะไม่ทุกข์กับเธอนะมันไม่เข้าว่ะมันไม่เข้าก็จะไม่ฉันจะไม่ทุกข์กับกูจะไม่ทุกข์กับมันโว้ยตรงเนี้ยให้มันเข้าไปข้างในตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งรีบรับอาจารย์เดี๋ยวเขาวางสายก่อนทำไงถ้าสีส่กริ้งแล้วมันวางสายอย่าไปยุ่งกับมันถ้ารักจริงอย่ายิงเบอร์ <K> เข้าใจใช่ไหมเออก็ถ้าสี่กริ้งเาวางหูปล่อยก็เถอะอย่ายให้เสียความปกติของจิต เราเอาสิ่งเหล่านี้มารับใช้เราเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมาทํำร้ายเราตั้งสติก่อนแล้วถ้ามันมาข่าวดีหรือข่าวร้ายอะไรต่างๆกูจะไม่ทุกข์กับมันพอข่าวร้ายมากูว่าแล้วเห็นว่ามันทําให้กูผิดปกติกูว่าแล้วนี่มันทําให้กูดีใจเราก็จะกลับมาอยู่มาดูใจตัวเองอาตมาประทับใจที่เด็กที่ไปสอนเขาแล้วเขาเข้าใจไปเจอเด็กคนหนึ่งประทับใจมาก ตกลงหมดเวลาใช่ไหมเนี่ยเสียงมันดังเด็กเขามานั่งคุยกับตมาตมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เหมือนกับคุยกับเด็กเหมือนกับคุยกับผู้ใหญ่พอคุยคุยเสร็จพอจะกลับเราก็เลยหนูเป็นเด็กน่ารักมากพ่อจารย์มีของที่ระลึกให้ตมาก็เลยหยิบลูกประคำลูกประคำในย่ามเนี่ยพอดีเพื่อนให้มา ก็เลยเอาลูกประคำขึ้นมามันเป็นของหายากนะหาไม่ค่อยเจอหรอกโอเคจ้ะก็เสร็จปั๊บบอกว่าหนูเป็นเด็กน่ารักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์ให้ของที่เลาลึกก็เลยหยิบลูกประคำพอหยิบขึ้นมาปั๊บเด็กเขาเห็นอู้หูเราก็ถามเห็นอะไรหรือที่ร้องอู้หูเนี่ยเห็นค่ะหนูเห็นข้างในมันกำลังดีใจค่ะ ที่ที่ทนี่อู้หูมั่งแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs> อูห้หูนี่รู้สึกตัวหรือเคยชินใครเคยชินยกมือสิโอเคสาธุให้ตัวเองด้วยสาธุอย่าว่าแตาโโ่โยมอู้หูเลยอำตามายังอู้หูเลย <laughs> เขาบอกหนูเห็นข้างในกําลังดีใจเราก็อู้หูเฮ้ยมันคิดมันเห็นได้ยังไงเราก็เลยถามแล้วหนูทําอย่างไรพอข้างในมันดีใจหนูไม่ได้ทําอะไรคะ่ะหนูดูมันเฉยเฉยตอนนี้มันเบาลงแล้วค่ะยัดยังไหม ต่อไปถ้าคนจะมาหลอกเด็กคนนี้คิดว่าหลอกง่ายหรือหลอกยา ก, ห, ยากหลอกยากเพราะเขาเห็นจิตตัวเองอ่ะเขากิน ก, ก๋วยเตี๋ยวถามว่าเห็นอะไรบ้างเขาบอกเขาเห็นสามอย่างหนึ่งคือเห็นกายที่เคลื่อนไหวตักก๋วยเตี๋ยวใส่ปาพกพวกพวกเราเห็นอะไรบ้างเวลากินก๋วยเตี๋ยว <S <s ลูกช okay. ิ้นโอเคลูกชิ้นหมูผักถุงอ่อกเส้น น้ำตะเกียบชามช้อนเราเห็นมากกว่าเด็กแสดงว่าเราฉลาดกว่าเด็กใช่ไหมไม่เด็กคงงเด็กอะ่ะหนึ่งเขาเห็นมือที่เคลื่อนไหวตักก๋วยเตี๋ยวใส่ปากสองเขาเห็นปากที่ขยับอยู่ขากรรไกงอ้าขึ้นงอ้าลงส่วนข้อที่สามเขาเห็นถึงความรู้สึกพอใจในรสชาติของก๋วยเตีย๋ยวตกลงเขาเห็นทั้งเรื่องของกายและเรื่องของจิตสุดยอดไหม <c oughs> กดไลค์ให้เขาหน่อยสาธุ เด็กแค่แปดขวบมันเห็นเรื่องกายเรื่องจิตอะ่ะของเรานี่สิบหกสิ็ดกันแล้วใช่ไหมที่นั่งกันแถวนี้ยังเห็นแต่ลูกชิ้นอยู่เลยอะ่ะยังเห็นแต่ลูกคิ้นเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญเเด็กคนนี้น่าทึ่งจัดหลายๆเรื่องซึ่งเขาสามารถเข้าใจต่อไปถ้าโตขึ้นใครจะมาหลอกเขาหลอกง่ายหรือหลอกยากหลอกยากเกิดไอ ห, หนุ่มมาจีบเขาอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดถึงคุณตลอดเวลานะครับ แต่ผมคิดถึงคุณทุกขลาที่หายใจมันจะากอู้หูไอ้หนุ่มก็ทำเห็นอะไรหรอกำลังเห็นข้างในมันดีใจตอนนี้ดูมันเฉยๆมันซาลงแล้วอมึงจะกีบอะไรมึงว่าต่อก็คือมันไม่หลงอ่ะมันไม่หลงเข้าไปของพวกเราหลงมีไหมเวลาจะมาไปอิตาลีโยมไปกัดที่รถด้วยนะ พอลงรถปั๊บไปเลยกระเป๋าติ่งต้องเอามาสองใบคือตอนแรกเนี่ยเดินปกติจ้ะแต่พอได้กระเป๋าติ่งต้องปั๊บเดินผิดปกติเดินเอ๋อไปเอ๋อมาอยู่างเงี้ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยปัญญา อ, อ่อนนะคือคือแค่แบรนด์เนมตรงนั้นเปลี่ยนเขาอะเปลี่ยนเขาน่าสงสารมากเลยเพราะฉะนั้นเมืองนอกก็จะสังเกตเขาบอกว่าทัวร์ที่เขาขายกระเป๋าดีที่สุดก็คือทัวร์จากเมืองไทย แล้วก็จะนับคอยนับไอ้พวกหน้าโง่ที่เข้ามาแต่ละคนโอ้โอไอ้ น, นี่สวยก็โง่ด้วยโอ้ไอ้ไอ้นี่โง่ดับเบลิลเลยซื้อสองใบเพราะฉะนั้นก็จะคอยนับไอ้หน้าโง่ที่เข้ามาทีละคนทีละคนทีละค น, ะคนของเราบ้าแบรนเนมกันมากเลยจ้ะแล้วมันไม่บ้าคนเดียวมันสอนให้ลูกมันบ้าด้วยเฮ้ยมันสอนลูกมันให้บ้าตามอะ่ะปัญญาอ่อนฮลัลโหลเขาใหญ่นะโชคดีว่าพวกปัญญาอ่อนไม่มีอยู่ในกลุ่มพวกเราเลยสาธุได้หรอ คือคอคืออย่าไปบ้าอะไรใช้ก็คือใช้นี่ถ้าเกิดอาตมาเกิดบ้าจีวงจีวอนอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยฮะโอ้ยมันไม่กี่ตังค์เลยตัวเนี้ยเดี๋ยวขอไอ้ <c oughs> นะ <c oughs> ข อ, ข อ, ขอจีวอนเป็นลายสกอตบ้างได้ไหมหรือว่าเป็นผ้ายีนอะไรปัญญาอ่อนอะบางทีไรอะไรเรื่องก็ฝากนิดนึงจะ้ะเด็กเขาเข้าใจแล้วเรื่องนี้แล้วก็ ฝากวิธีการที่จะรู้สึกตัวเอาแบบง่ายๆปกติเวลาแปลงฟันเราใช้มือไหนแปลงใช้มือขวาเพราะมือขวาจับแปลงให้บอกกับตัวเองว่าเคยชินแล้วลองเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแล้วก็รู้สึกตัวเต็มๆแต่ไม่ถนัดรู้สึกตัวเต็มๆแต่ไม่ถนัดลองเปลี่ยนดูแล้วเราจะเห็นเวลาทานข้าวใช้มือไหนขวาเพราะมือขวาจับช้อนบอกตัวเองว่าเคยชินอีกแล้วต้องเปลี่ยนเป็นมือซ้าย แล้วก็รู้สึกตัวเต็มเต็มแต่ไม่ถนัดรู้สึกตัวเต็มเต็มแต่ไม่ถนัดมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกงุดหงิดดูมันเฉยเฉยเด็กๆตักข้าวใส่ปากบ้างใส่จมูกม้งมันก็ยังหัวเราะได้ใช่ไหมของเราโตแล้วอะ่ะไม่มีปัญหาเราค่อยๆฝึกแล้วเราจะเห็นว่าวันๆเราจะไปอยู่กับความเคยชินจนกระทั่งลืมความรู้สึกตัวตรงเนี้ย แล้วได้ผลหลังจากที่ฝากตรงนี้ไปวันนั้นบอกโยมบอกลองดูนะเดีย๋ยวไปทานอาหารด้วยความรู้สึกตัวทำได้ไหมทำได้ทำไงให้เปลี่ยนมือพอเสร็จเรียบร้อยอ้าวอย่างนั้นไปทานได้ร่วมร้อยคนไปทานอาหารกันอาตมาก็เข้าไปฉันของตัวเองพอออกมาเสร็จปับ๊บโยมก็เห็นก็วิ่งปื๊ดก็หยุดปึกแล้วนั่งลงพนมมืออาจารย์คะเมื่อกี้เคยชินร้นๆนะคะที่วิ่งมาตอนนี้รู้สึกตัวแล้วคะ่ะ มีอะไรส่งกันบ้านค่ะว่าไงโยมทำได้แล้วค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้ใช้มือไม่ถนัดทานข้าวตั้งแต่เกิดไม่เคยทำยมเพิ่งจะรู้ค่ะว่าเราอยู่กับความเคยชินตลอดแล้วที่กินข้าวที่พระอาจารย์บอกบอกว่าให้กินข้าวอย่าไปกินความคิดคนปัจจุบันเขากินข้าวไม่เป็นเขานั่งกินความคิด กินเรื่องราวในอดีตแล้วก็กินโครงการในอนาคตแล้วมือก็ตักข้าวใส่ปากเขาไม่ได้กินข้าวเลยนั่งกินความคิดแกบอกว่ายมทำได้แล้วค่ะเมื่อกี้ยมเห็นค่ะยมนั่งกินความคิดค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยมก็เลยใช้มือไม่ถนัดทานเป็นความรู้สึกตัวเต็มๆแต่พระอาจารย์อย่าว่าอะไรยมนะคะว่าอะไรอะ่ะยมทำได้แค่คาสุดท้ายคาเดียวค่ะ <laughs> คือพอไปถึงปมมันลุยอย่างเดียวเลย ลุยพอจะหมดปั๊บมันวูบขึ้นมาเอา้าอาจารย์บอกให้ใช้มือไม่ถนัดแกก็เลยเปลี่ยนมือพอเปลี่ยนมือปับ๊บแล้วก็ค่อยตักตักไม่ขึ้นต้องเอามือหนึ่งจับซ่อมแล้วก็ดุนข้าวใส่ช้อนเขียเขียข่ยเขี่ยพอใส่เสร็จปับ๊บเอาใส่ปากพอใส่ปากปุ๊บน้าตาไหลเลยอะพริกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปิติปิติมันเกิด ปิติมันเกิดตั้งแต่เกิดอ่ะไม่เคยกินข้าวด้วยความรู้สึกตัวนี่แกได้เรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็สอนผู้ใหญ่ปรากฏพอกลับไปได้ผลลูกสาวโทรมาพระอาจารย์คะแม่แม่หนูรู้สึกแม่ยมรู้สึกตัวเป็นแล้วค่ะรู้ได้ไงก็วันเนี้ยคุณแม่นั่งทานข้าวทานทานอยู่ดีคุณแม่หยุดกึกแล้วคุณแม่ก็เปลี่ยนมือแล้วก็ตักใส่ปากแล้วก็ยิ้มหนูพอเห็นคุณแม่เปลี่ยนมือหนูก็หยุดกึก แล้วหนูก็เปลี่ยนมือบ้างแล้วตักใส่ปากแล้วหนูก็หันไปมองคุณแม่แล้วก็ต่างคนต่างยิ้มเป็นอันว่าเข้าใจกันเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ที่กินมาจนจะหมดเนี่ยเคยชินรุนรวนเสร็จปั๊บอีกคนโทมพระอาจารย์คะแม่หนูรู้สึกตัวเป็นแล้วคะ่ะรู้ได้ไงก็พระอาจารย์บอกว่าให้ก่อนนอนให้ยิ้มจนหลับตื่นปุ๊บให้ยิ้มปับ๊บ ที่พระอาจารย์สอนไปวันนี้คุณแม่มาพูดกับหนูเองคุณแม่บอกว่าพระอาจารย์ประสงค์บอกว่าก่อนนอนให้ยิ้มหลับเมื่อคืนแม่ทําได้แม่ยิ้มจนหลับไปเลยแล้วท่านบอกว่าตื่นปุ๊บให้ยิ้มปับ๊บเมื่อเช้าแม่ลืมเพิ่งนึกได้ตอนสองทุ่มคือคนบางคนอนตมาเคยถามโยมวันวันหนึนน่งเผลอมั้งไหมไม่หรอกโยมสติดี จะเผยอย่างมากก็แค่วันละครั้งสองครั้งเขาเผอแค่วันละครั้งสองครั้งเผอครั้งแรกเนี่ยหกโมงเช้าไปรู้ตัวหกโมงเย็นปวดฉาตกลงเผยเนี่ยระหว่างเผอบ่อยกับเผอนานอย่างไหนดีประกันเผอสั้นกับเผลอยาวอย่างไหนดีประกันเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะเผอวันสักกี่ครั้งดีแต่มาทําเสื้อแต่ไม่ได้เอามานะเผอตัวแม่เผอตัวแม่ ใส่ไปเลยตอนแรกจะเขียนคาว่ารู้สึกตัวเดี๋ยวจะคิดว่าอวดก็เลยเป็นเผลอตัวแม่นักปฏิบัติธรรมต้องเห็นตัวเองเผลออยู่เรื่อยๆแล้ววันนั้นแปดขวบใส่มาพระมาเห็นก็เรียกออกมาหนูใส่เสื้อเขียนว่าที่เสื้อเขียนว่าอะไรคะเผลอตัวแม่ค่ะแล้วเผลอตัวแม่หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่ามีสติหมายความว่ารู้สึกตัวคะ่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสติเออตรงนี้สําคัญฮัลโหลถาม <laughs> เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสติจะจบแล้วจะจบแล้วจบแล้ว <laughs> ถามเด็กว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสติ <laughs> ก็เมื่อไรที่เราเห็นว่าเราเผลอตอนนั้นน่ะค่ะเรามีสติแล้วควรจะเผลอสักวันละกี่ครั้งดีสักวันละพันครั้งค่ะ <laughs> <laughs> นี่เด็กแปดขวบนะตอบอะแต่แปดสิบยังซื่อบือ้อเนี่ยมีไหม <laughs> เพราะฉะนั้นก็ ฝากนิดหนึง่งคืนนี้ก่อนนอนให้ยิ้มหลับพรุ่งนี้ตื่นปุ๊บให้ยิ้มปับแต่ถ้าไม่ตื่นเนี่ยศพ ส, สวยขอจเจริญพร้ะ